ด้านการปกครองเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเริ่มมีหน้าที่ทางการปกครองคณะสงฆ์นับแต่พุทธศักราช2503คณะสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราภรณ์เป็นต้นมาและทรงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆทางการปกครองคณะสงฆ์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับมากล่าวคือ พุทธศักราช2503เป็นสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2484ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ในวงเล็บจวนอุททายีซึ่งต่อมาท่านได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตานสมเด็จพระสังฆราชเป็นสังฆนายกมีหน้าที่บริหารปกครองคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธทั่วราชอาณาจักร พุทธศักราช2 5งพคณะสงฆ์ดำรงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภลเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารและเป็นผู้รักษาการเจ้าคณะธรรมยุทธทุกภาคทั่วราชอาณาจักรพุทธศักราชส5งพมีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์คือเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราชส4งพใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2,505 แทนตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดให้มหาเทราสมาคมมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานบริหารปกครองคณะสงฆ์เจ้าพระคุณสมเด็จคณะทรงดํารงสมณศักดิ์ที่พระศาสนาโสภนทรงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเทระสมาคมชุดแรกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้เมื่อพุทธศักราช 2,506 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการมหาเทระสมาคมตลอดมาทุกสมัยพุทธศักราช 2,532 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดทางการปกครองของคณะสงฆ์นอกจากนี้ ยังทรงเป็นประธานอนุกรรมการและเป็นอนุกรรมการของมหาเทระสมาคมคณะต่างๆอีกหลายคณะต่อเนื่องมาโดยตลอดในส่วนการปกครองในคณะธรรมยุทธ์นั้นเจ้าพระคุณสมเด็จก็ทรงได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งต่างๆมาโดยลำดับพุทธศักราช2493คณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโส ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสมพลขณาพนเป็นกรรมการเทระสมาคมคณะธรรมยุทธ์ประเภทชั่วคราวพุทธศักราช2497ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระโสมพลขณาพร์พระราชาคณะชั้นราชเป็นกรรมการเทระสมาคมคณะธรรมยุทธ์ประเภทถาวรพุทธศักราช2500 ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราพรเป็นกรรมการพิจารณาร่างระเบียบบริหารวัดธรรมยุทธ์ <im itation> พุทธศักราช2501ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวราพรเป็นกรรมการคณะธรรมยุทธ์ <im itation> พุทธศักราช2517ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรเป็นประธานกรรมการคณะธรรมยุทธ์ พุทธศักราช 2,531 คณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรรักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์พุทธศักราช 2,532 ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์พุทธศักราช 2,516 คณะสงคมรงสมณศักที่สมเด็จพระญาณสังวรในฐานะที่ทรงเป็นรองประธานกรรมการคณะธรรมยุทธ์ได้รับชันฐานุนมากจากกรรมการคณะธรรมยุทธ์ให้เดินทางไปตรวจการคณะสงฆ์และเยี่ยมพุทธศาสนิกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์อุบลราชธานียโสธรร้อยเอ็ดมหาสรารคามกาฬสินธุ์และขอนแก่นรวมเวลา10วัน ส่งเยี่ยมเยียนวัดต่างๆ37วัดรวมทั้งโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆอีกหลายแห่งได้ประทานพระโอวาะแก่ภิกษุสามเณรพุทธศาสนิกชนและข้าราชการทั้งทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนในทุกที่ที่ส่งเยี่ยมเยียนก่อให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษาปฏิบัติธรรมและการศึกษาพระพุทธศาสนาในหมู่ภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนเป็นอันมาก